ปีน้องหลายคนเราต้องใจเย็นนะเรื่องใจดีต้องสร้างแน่เอพราะนั้นพวกเราเในฐานะลูกหลานเหลนที่องค์หลวงตาของท่านก็ได้มาช่วยวัดของเราเนี่เป็นเท่าไหร่กำแพงวัดยาวทั้งหกร้อยหพเจ็ดร้อเมตรกว่าเมตร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 ถ้าจะว่าเขียนเป็นตำราหรือไม่ตำราจุดนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากแต่ละคนแต่ละเรื่องราวเนี่ยมันไม่เหมือนกันเพราะนั้นท่านจึงพูดถึงด้าน จ, จิตใจแต่พวกเรานื้อติใจของเราแต่ละวั น, นคิดมันกี่เรื่องกี่ราวกี่เลขเหลี่ยมชันเชิงกี่ตลบกี่ตะแหลงใจของเรา เ, เพราะนั้นธรรมะทำคำสอนเนี่ยจะต้องให้ไปก็ประกบหรือให้ไปทัน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 ทั้งพี่ทั้งน้อ ง, ส า, อ ง, านนงาสามพี่น้องเนี่ยได้บริวารพันพันคนกดีรวมทั้งหัวหน้าสามพี่น้องเนี่ยเป็นพันสามพันสามท่านอเออตีนี้ก็พระพุทธเจ้าเดี๋ยวไปโปรดรุเวลาก็จะปะพี่ชายใหญ่เกิดความพรพบับถือเลื่อมใสบวชที่เป็นนับที่เป็นลือสีที่ปฏิปพุดพดดูที่กุงราชคือ พอบวชเสร็จแล้วก็ น, น้องชายคนที่สองบวชบริ บ, บราลอีกสามร้อยพอน้องชายคนที่สามบวชบริวาลสองร้อยรวมแล้วเป็นฤาษีเหล่านี้นะรูเ้เวลานาทีขยากัจจปัพันกับสามคนแต่พระเจ้าพิมพิสาร เ, เป็นขุนคลังมาเกิดเป็นพระเจ้าแผ่นดินกรุงราชคักขนะจากนั้นพระพุทธเจ้ามาโปรด ฉดินสามพี่น้องเสร็จแล้วบวชเสร็จแล้วก็โปรดพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารเกิดเคารพนับถือเลื่อมใสเพราะว่าเป็นคนกลุ่มเดียวกั น, นใช่ไหมในอดีตในชาติอยู่แล้วนะแต่พอเสร็จแล้วพระเจ้าพิมพิสารก็จะถวายวัดป่าเวลุวันเตะป่าไม้ไัยเหมือนกับสวนลุมหรือว่าสวนหลวงอย่างนี่แหละถวายต่อพระพุท ธ, ธเจ้ามันจะเป็นป่าดงเป็นป่าที่ให้พระเจ้าเป็นเด่นหัว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 โอ้ยข้าพระองค์นอนไม่หลับทั้งคืนพระเจ้าค่ะทำไมเพราะไม่รู้อะไรเสียงอิหลุงตุงนางตรุกตุงตั ง, ง, งไปหมดอีแต่จัหวาดมองชัดๆกงไม่ใช่แต่เห็นว่ามันตัวผมผมยาวๆผมอะไรมันดูๆมันน่าเกลียดน่ากลัวไปหมดอยู่ในเวียงวงังพระเจ้าค่ะเออนั่นล่ละเป็นญาติของพระองค์ในอดีตเ น, น่เมื่อพระองค์ทาบุญถวายแผ่นดิน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 พอตกกลางเคินมาจะเน่เปดเหล่านั้นเนี่ยตัวที่ผอมๆเอ่อยาวๆอะไรดวงูุซิลร่าง ก, กายอ้วนท้วนสมบูรณ์เท่นี่เอออ้วนท้วนสมบูรณ์ร่าง ก, กายรู้สึกว่าเซ็ตสวยงดงามแต่ไม่มีผ้านุ่งเท่นี่ <c oughs> ไม่มีไม่มีผ้านุ่งไม่มีเสื้อผ้าเออเปื่อยกายพระเจ้าพิมพ์ิสารก็เห็นอีกเนี่ยตอนนั้ก็ไปกราบพระพุทธเจ้าอีกพระพุทธเจ้าบอกว่าเออ ม, มหาบพิษเมื่อวาน ได้ทำแต่อาหารไม่ได้ทำไม่ได้ถวายผ้าให้กับเขาเพราะนั้นเขาจึงไม่มีผ้านุง่งโอทางงั้นข้าพระองค์ของทำบุญอีกรอบสองพระเจ้าข่าพระองค์ก็เน่งอีกพอถึงวันลุงขึ้นพระเจ้าพิมพิสากรก็เตรียมผ้าแล้วก็อาหารด้วยผ้าผ้าด้วยแล้วกอุทิศสวนกุศลพอเสร็จแล้วนี่หายเงียบไปเลย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 ในเมื่อพ้นออกจากห้องขังแล้วนะออกมาเป็นอิสระเป็นไทยแล้วนะเนี่ยเขาจะพร้อมที่จะขายที่ดินพร้อมที่เงินธนาคารเขาก็พร้อมที่จะได้รับนี่ก็เหมือนกันนั่นแหละในเมื่อเขาใช้กรรมเขาก็หิวโหวยทุกยากเพราะเขาทำกรรมที่ไม่ดีเอาไว้ เ, เมื่อเขาพ้นจากกรรมนั้นแล้วนะบุญกุศลที่เขาทำในอดีต ม, มันก็มาเข้ามาหาเขาบางคนก็เป็นเศรษฐีได้อีกเหมือนกันนะ